สำหรับคนบางคนคำพูดบางคำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยเนะเปลี่ยนในทางลบ ก, ก็ได้ในทางบวกก็ได้ทางร้ายก็มีทางดีก็มีเปลี่ยนชีวิตไปในทางร้ายหรือทางลบ ก, ก็เช่นได้ยินเสียงด่าองี้ หรือคำเยียดยามบางทีอาจจะด่าแม่โกรธนะแล้วลืมตัวไปทำร้ายเขาบางทีถึงตายก็ติดคุกติดตารางชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนในทางที่ดีก็มีนะเพราะคำบางคำ อย่างเช่น อ, อนาธิปิทักษ์เศรษฐีเนี่ยนะอันนี้ชาวพุทธเรารู้จักดีนะอนาธิปิทักษ์เศรษฐีเนี่ยเดิมก็ไม่ได้สนใจพุทธศาสนาเลยสนใจการทำมาค้าขายวันหนึ่งก็ไปธุระที่เมืองราชครึอนาธิปิการเนี่ยอยู่สาวัตถีนะก็ไปทำธุระ ค้าขายที่ราชคลึก็ไปพักที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งเป็นเศรษฐีชื่อว่าราชค่า6นะหรือราชค้าหากะพักอยู่หลายวันนะมีวันหนึ่งเนี่ยราชค้าหกกะเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกหลายรูปเลยมาที่บ้าน ก็เลยมีการจัดเตรียมสถานที่เป็นการใหญ่เลยอนาธิบิทกษ์เศรษฐีเนี่ยไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเพื่อนก็กุรีกุจอนะ่ะสั่งงานสั่งการไม่ว่างที่จะสนทนาพูดคุยเลยจนกระทั่งสั่งงานเสร็จนะอนาธิบิทักา์เศรษฐีก็ถามว่ามีงานอะไรหรือ เพื่อนก็ตอบว่างานเลี้ยงพระนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าสเสด็จมาที่บ้านเพียงแค่ได้ยนินคำว่าพระพุทธเจ้านี่อนาทัตมีกเศษทีนี่ตะลึงเลยนะตะลึงถามซ้ำอีก2อีกสครั้งรวมเป็น3มครั้งคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําที่ สร้างความตะลึงให้กับอนันตปิทิกะอย่างเหมือนกับไม่มีเหตุผลเลยเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่พอได้ยินนี่ยเยว่าเกิดความปิติสมนัสมากแล้วก็นับแต่นั้นมาเนี่ยก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จมาสแสดงธรรมอนันปิทิกะเศรษฐีก็ตั้งใจฟังแล้วกเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยนัยนะ จนภายหลังก็ได้เป็นอุปถาคคนสำคัญนะเป็นมหาอุบาสกที่ทำให้เกิดมีเชตวันขึ้นมาเพราะเชตวันนี่ก็สร้างจากเงินนะของอธทปิกาเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีอีกคนหนึ่งนะเป็นพระราชามหากัปปินทะนะก็เรียกว่า ปกครองบ้านเมืองนะอย่างอย่างดีเลยด้วยความตั้งใจเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็ไม่ได้เพลิดเพลินกับการมาสุขแม้จะมีอำนาจมากแล้วก็สนใจข่าวสารจากแว่นแคว้นต่างๆหมนนึงได้ข่าวว่ามีพ่อค้าจากกรุงสาวัตถีมาที่เมืองของตนก็เลยเชิญมาสนทนาม จะถามข่าวคราวพ่อค้าจากเมืองสัมพธก็บอกว่าไม่มีอะไรนะช่วงนี้ไม่มีอะไรมีแต่ว่าพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยนะได้บังเกิดครบแล้วคงจะพูดตั้งใจผู้ผ่านา น, นะแต่ว่าพอได้ยินเท่านี้แหละมหากับปินนานี่เรียกว่าตะลึงเลยนะปิติสมนัทท่วมท้นเลยแล้วก็จนกันทั่ง วูบไปเลยนะวูบไปคือลืมตัวถามซ้ำพอได้ยินอีกก็วูบเนี่เปนเงี้ยถึงสมครั้งคำว่าพระพุทธธรรมประสงค์ี่เป็นคำที่เรียกว่ากระทบจิตใจโดนใจของมหากับปินะมากสุดท้ายนะมหากับปินะก็ทิ้งล่าสมบัตินะออกบวช และต่อหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะที่ชื่อในเรื่องขึ้นชื่อในเรื่องของการสอนภิกษุนะให้ อ, อว่าภิกษุชีวิตเนี่ยพลิกพันนะเปลี่ยนไปเพียงเพราะคํสามคํานี่แหละนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์และเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีนายสาพุธการนะจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคน นะที่เปลี่ยนชีวิตเนี่ยเพราะคําบางคํามีฝรั่งคนหนึ่งนะเป็นหญิงสาวเนี่ยชื่อไดแอนตอนสาวๆนี่ก็เรียกว่าสนใจนะเรื่องของเอเชียเป็นพิเศษเนะมื่อจะเป็นญี่ปุ่นจีนแม้กระทั่ง ค, บ, คบผู้ชายนีย่ก็คบผู้ชายที่หน้าตาเป็นเอเชียนะตลังหามาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็เดินทางไป ประเทศเนปาลเพราะว่าเนปาลนี่มีพุทธศาสนาแบบทิเบตที่กำลังตั้งหลักปักฐานอยู่ระหว่างที่อยู่ที่เนปาลเนี่ยได้ยินคนเอ่ยชื่อพระทิเบตท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คำทรุนรินโปเชเพียงแค่ได้ยินชื่อของคำทรุนรินโปเชยท่านี้นะไดแอนนี่เ็บอกว่าเนี่ย ไฟฟ้าเนี่ยมนก็นว่าแล่นผ่านทั่วร่างกายเลยเกิดความตะลึงอย่างไม่มีเหตุผลแล้วเหมือนกับไฟฟ้านี่ช็อตทั่วร่างกายเลยแผ่ซ่านทร า, ทราบทราบไปหมดเลยก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเป็นครูอาจารย์ของเราได้ก็เลยขอบวชนะเป็นแม่ชีกับท่านคำทรงในโปเชเนี่ย ได้ชื่อว่าชื่อเป็นชื่อแบบว่าเทนซินพาวโมซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพิษุทธิ์นีชาติเบทที่มีชื่อมากนะในบรรดาฝรั่งที่บวชเป็นพิษุทีเนี่ยเทนซินพาวโมนี่ถือว่าเป็นพิษุณีที่สําคัญมากนะตอนนี้อายุ80นะปีนี้อายุ80พอดีเลยน่าสนใจคือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่อาทิตย์ท่านได้เจอทลายลามะ อะไรแล้วมาก็ทักทายไดแอนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแม่ชีนะกล้ามนี่ยังงงเลยท่านพูดถูกระหว่างเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยไดแอนนี่ก็เป็นแม่ชีจริงๆนะและที่มันน่าสนใจกันนั้นนะคือทำไมเนี่ยไดแอนซึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยไม่เคยได้เจอพระไม่เคยได้เจอชาวพุทธเลยแต่ทำไมเนี่ยจึงประกาศตัวเป็นเป็นชาวพุทธ เธอเล่าว่าเนี่ยสมัยที่ยังยุดประมาณสักสเนี่ยไปอ่านหนังสือในห้องสมุดหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเขียนโดยชาวอังกฤษเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็พูดถึงพุทธศาสนาในเมืองไทยถ่ายรูปวัดวาอารามถ่ายรูปพระที่กำลังเดินพิณบาปบอกว่ามันโดนใจใดแอนมากเลยเหมือนกับว่าเนี่ย ศา ส, สนาพุทธเนี่ยที่หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดมามันคือสิ่งที่ตัวเองกำลังสแสวงหาเธอเล่าว่าเนี่ยพออ่านหนังสือเล่มนี้จบนะประกาศตัวเป็นชาวพุทธเลยใครๆก็งงนะเพราะว่าเธอไม่เคยเจอพระไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนาเลยแต่แค่อ่านหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วก็ ได้ฟังได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวพุทธศาสนาในเมืองไทยเรื่องพระสองฆ์องค์เจ้าก็เลยเชื่อเลยนะว่าตัวเองเนี่ยคือชาวพุทธเรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนันตปิติกาเศรษฐีพระมหากริญญาเนี่ยและเรื่องของใดแอนหรือเทนซินพาวโมเนี่ยมันแสดงเห็นนะว่าเรื่องของบุญเก่านี่สําคัญนะบุญเก่าที่สะสมมาเนี่ยมันทําให้ใจพร้อมจะเปิดรับ พอได้ยินเว่าพระพุทธเจ้าพอได้นขาว่าพระพุธธรรมพระสงค์หรือว่าคำทรนริโปเชเนี่ยจิตสว่างว่าบเลยนะเกิดความทราบซึ้งปิติเกิอดอาการทางกายแบบทราบซ่านเนียก็ทำให้ชีวิตนี่เปลี่ยนเลยนะหันมาสู่การปฏิบัติหันมาสู่พุทธศาสนาแต่ลำพังบุญเก่านี่ไม่พอนะมันต้องสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ย แม้จะมีบุญเก่ามาเยอะนะแต่ว่าจนกระทั่งได้ยินได้ฟังคำบางคำเนี่ยก็หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ได้สนใจจริงจังเพราะไปหลงไหลกับสิ่งอื่นนะบางทีก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้แต่ทั้งสามท่านเนี่ยนะพอเรียกว่าจุดติดแล้วนะมีจุดสตาร์หรือจุดติดขึ้นมานี่ไปต่อได้นะแล้วก็ไปทางธรรมด้วย ขณะที่เป็นที่กาศเศรษฐีก็ได้เป็นพระโสดาบันเพราะการทำความเพียระมากับปินนะก็เป็นพระอรหันต์ไดแอนเบอรี่หรือว่าเชนซึมพารโมนี่ก็พอบวชแล้วนี่ก็ทำความเพียรมากนะมีช่วงหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในถ้ำนะคนเดียวนะบนเขาที่หนาวจัดเนี่ยปีไม่เจอใครเลยนะโหนี่เรียกว่าทำความเพียรมากนะ ก็เลยได้เข้าถึงทำขั้นสูงได้ชีวิตก็จึงจะเปลี่ยนอย่างแท้จริงให้บุญเก่านี่มันเป็นแค่จุดสตาร์ทนะหรือทําให้จุดติดแต่ถ้าหากว่าไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีการสะสมหรือสร้างบุญใหม่นี่ก็สุดท้ายบุญเก่าก็หมดนะแล้วก็ชีวิต ก, ก็กลับไปเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเแล้วเนี่ยสําหรับบางคนที่ไม่มีบุญเก่ามากนะแต่ว่าถ้าสร้างบุญใหม่ไว้เยอะๆชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะอย่าไปหวังพึ่งบุญเก่าอย่างเดียว บุญใหม่หรือบุญในปัจจุ บ, บนันนี้สำคัญที่สุด